เรื่องะต่ายตัวไหนจะดีเมื่อสมเด็จพุทธาจารย์โตยังเป็นมหาโตในแผ่นดินพระนางกล้าวทุนกระหม่อมพระคือรัชกาลที่สี่ยังเป็นพระราชาคณะจะอาวาดวัดสมรายแดนนิมนต์มหาโตไปสนทนาด้วยเป็นทางที่จะชวนเข้าหมู่คืออยากให้เปลี่ยนนิกายมานับถือธรรมยุทธ์รับสั่งว่า มีบุรุษสองคนเป็นเพื่อนเดินทางมาด้วยกันคนทั้งสองเดินมาพบใหมเข้าจึงทิ้งปอที่แบกมาเสียเอาไหมไปอีกคนหนึ่งไม่เอาคงแบกเอาปอไปท่านจะเห็นว่าคนแบกปอดีหรือคนแบกไหมดีมาหาโตทูลเฉลยไปอีกทางหนึ่งว่ายังมีกระต่ายสองตัวขาวตัวหนึ่งดำตัวหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมหากินกันมาช้านาน วันหนึ่งกระต่ายสองตัวเที่ยวและเล่มหญ้ากินแต่กระต่ายขาวเห็นหญ้าอ่อนๆฝั่งฟากโน้นมีชุมจึงว่ายน้ำข้ามฟากไปหากินฝั่งข้างโน้นกระต่ายดำไม่ยอมไปทนกินอยู่ฝั่งเดียวแต่นั้นมากระต่ายขาวก็ข้ามน้ำไปหาญ่าอ่อนกินฝั่งข้างโน้อนอยู่เรื่อยวันหนึ่งขณะที่กระต่ายขาวกำลังว่ายน้ำข้ามฟากบังเกิดลมพัดจัดมีคลื่นปั่นป่วน กระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดเอากระต่ายขาวไปจะเข้าฝั่งไหนก็ไม่ได้เลยจมน้ำตายในที่สุดส่วนกระต่ายดำก็ยังเที่ยวหากินอยู่ได้ไม่ตายฝ่าธุลีพระบาทลองทำงานายว่ากระต่ายตัวไหนจะดีหมายเยตุ ในครั้งที่ราชกาลที่สี่ทรงผนวดอยู่นั้นได้ทรงตั้งนิกายใหม่คือธรรมยุทธ์มุ่งเน้นในการเคร่งครัดในธรรมวิไนเป็นพระที่เน้นทางวิปัสสนาธุระเน้นข้อวัดในการทุดดงหรือที่เรียกกันว่าพระป่าอย่างเช่นสายหลวงปู่มั่นนะครับส่วนสมเด็จโตนั้นท่านบวชในมหานิกายดังนั้นราชกาลที่สี่ขณะผนวดเป็นพระได้นิมนต์มหาโตไปสนทนาด้วยคืออยากให้เปลี่ยนนิกายมานับถือธรรมยุทธ